พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าปรมณสังยุตประมวลเรื่องปรามหมวดที่หนึ่งอรหันตวรชหมวดว่าด้วยพระอรหันต์ประสูตรที่หนึ่งธนัญชานีสูตรว่าด้วยทนัญชานีปรามณีสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้น นางปรามณีชื่อธนัญชานีของพราหมณารัตวชะโคดคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครั้งนั้นนางธนัญชานีปรามณีกำลังนำพัดคืออาหารไปให้พราหมณารทตวชะโคดนางก้าวเท้าพลาดจึงเปล่งอุทานสามครั้งว่า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อนางธนัญชานีปราหมณีกล่าวอย่างนี้แล้วปราหมภารัตวาชาโคดได้กล่าวกับนางธนัญชาณีปราหมณีดังนี้ว่าหญิงถอยคนนี้กล่าวคุณของสมณะโล้นั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนไหนหญิงถอย บัดนี้เราจะยกวาทะของพระศาสดานั้นของเจ้าบ้างหลักนางทนัญชานีปรามกล่าวว่าปรามฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกวาทะของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะรามเทวดาและมนุษย์ท่านจงไปเถอะ ไปแล้วก็จะรู้เองครั้งนั้นพรามภาระทวาชะ โ, โกรธโกรธไม่พอใจจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคถาว่าบุคคลกำจัดอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขกำจัดอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโกดมพระองค์ทรงพอพระทัยการกาจัดธรรมะอย่างหนึ่ง คืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลกำจัดความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขกำจัดความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกพราาม์รกอริยะทั้งหลายสันเสริญการกำจัดความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลกำจัดความโกรธนั้นได้แล้ว ไม่เ้าโกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระามพารัตวาชะโคดได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระามพารัวาชะโคดได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งปรุงประจันท่านพระภารัทวาชาได้เป็นพระอาราหันทรูปหนึ่งในบรรดาพระอาราหันต์ทั้งหลายอกโกสสูตร ว่าด้วยอกโกสกะพารัตวราชาพรามเหตุการณ์ที่กรุงราชกฤตอกโกสกะพารัวราชาพรามได้สดับมาว่าพรามภารัตวราชาคโคดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคดาบริพาดด้วยวาจาหยาบคาย เมื่ออักโกสกะพพารทวาชาพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอกโกสกะภ า, ารัวาชาพรามดังนี้ว่าพรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมิมรตรอมมาตย่าสาโลยิตผู้เป็นแขกของท่านมาเยือนท่านบ้างไหมตอบว่ามาเยือนบ้างเป็นบางคราวตรัสถามว่าท่านเคยจัดของเกี้ยวของบริโภค เพื่อต้อนรับมิตรอมาตย่าสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่พราหมณ์ตอบว่าได้จัดของเคี้ยวของบริโภคเพื่อต้อนรับแขกเหล่านั้นเป็นบางคราวพราหมณ์ถ้ามิตรอมาตย่าและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคเหล่านั้นของเหล่านั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ตอบว่าก็เมื่อแขกเหล่านั้นไม่รับ ของเหล่านั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิมพระผู้มีพระภาตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็เหมือนกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธต่อเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านมาทะเลาะกับเราผู้ไม่ทะเลาะอยู่เราไม่รับคําด่าเป็นต้นของท่านนั้นพราหมณ์ดังนั้นคําด่าเป็นต้นนั้น จึงเป็นของท่านผู้เดียวพรามผู้ใดด่ดาตอบต่อบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ทะเลาะตอบต่อบุคคลผู้ทะเลาะอยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่ายอมบริโภคด้วยกันยอมกระทําตอบโต้ต่อกันแต่เรานั้นไม่บริโภคด้วยกัน ไม่กระทำตอบโต้กับท่านเป็นอันขาดพรามดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียวอโกสกับพระรวาชาพรามกล่าวว่าบริสัทธ์พร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบพระโคโดมผู้เจริญอย่างนี้ว่าปรัสมาณะโคโดมเป็นพระอระหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น พระโคดมผู้เจริญยังโกรธอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยคาถาว่าบุคคลผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่จะมีความโกรธแต่ที่ไหนเล่าผู้ใดโกรธตอบต่อ บ, บุคคลผู้โกรธผู้นั้น ย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อ บ, บุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่น เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อืน่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมยอมเข้าใจว่าเป็นคนโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโกศกาภารัธวาชาพรามได้กราบทูลสรรเสริญพระภาษิตขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและขอบรรพชาพอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค ท่านพระอโกศกัจพรัตวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอระหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอระหันต์ทั้งหลายอสูรินทกะสูตรว่าด้วยอสูรินทกระราม เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงราชกฤกอสุรินทะกับพาราธวาชาพรามได้สดับมาว่าพรามพาราทวาชาโคดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมแล้วจึงโกรธไม่พอใจเดินทางไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจายาบใารพระผู้มีพระภาคทรงนิ่ง ลำดับนั้นอสุรินทะกะภารัวาชาพรามได้กล่าวว่าพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนพาลกล่าววาจาหยาบขายย่อมเข้าใจว่าตนเองชนะแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้ง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 คือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อ <Jub ilee> ื Look, ่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นจนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเขาเป็นคนโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอสุรินทกะกพาลัทธวะชาพราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท ท่านพระอาสุรินทกักหลังอุปสมบทได้ไม่นานได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันทรูปหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหล า, ย พ, หลายพี่หลังคิกะสูตรว่าด้วยพิหลังคิกะพรามสมัยหนึ่งนักพระเวรุวันเขตกรุงราชกฤกพีลังคิกะพารัวราชาพราม ได้สดับมาว่าพระมภาราชวาชัโคตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของพิลังกิกะมาราชวาพระาาพรามด้วยพระทัยแล้วได้ตรัส ด, ด้วยพระคาถาว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคล น, นั้นซึ่งเป็นคนผ่านอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลสัตไปทวนลมแล้วฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วพี่ลังกีกาภารัตวาชาพราม ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิบและขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาไม่นานท่านพระพิลังกิกาภารัทวาชะได้สำเร็จเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอาหิงสกักสูตรว่าด้วยอหิงสกัการัทวาชะพราม เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นอหิงส ก, กะภารัตวาชาพระมณ์เข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่ออหิงส ก, กะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าท่านชื่ออหิงส ก, กะท่านก็ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น ผู้ใดไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาและทางใจผู้นั้นจึงจะชื่ออหิงสกะโดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอหิงสกะภาราธวาชาพราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตขอบรรพชาพอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาไม่นานท่านพระอหิงสกะภาราธวาชะได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่ง ในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายชะดาสูตรว่าด้วยชะดาพรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นชะดาพาระทวาชะาพรามเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลด้วยคถาว่ามูสัต ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้หนุงนางแล้วข่าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสขาถาว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญา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 รูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเะดภารัธวาชาปรามได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาไม่นานท่านพระเจดภารัตวาชา ได้สำเร็จเป็นพระอระหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอระหันต์ทั้งหลายสุทธิกสูตรว่าด้วยสุธิกษัตริรัวาชาพรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นสุธิกัตรารัวาชาพรามได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า พรมบางคนในโลกแม้เป็นผู้มีศีลบำเพ็ญตะบะอยู่ก็ยังหมดจดไม่ได้พรมพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณาคเท่านั้นจึงจะหมดจดได้ส่วนหมู่สัตว์อื่นนอกจากนี้จะหมดจดไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถานี้ว่าพรามท่านจงรู้อย่างนี้ว่า บุคคลถึงจะเป็นพรามโดยกำเนิดสาทยายมนเป็นอันมากแต่เป็นผู้เน่าและศพกรกภายในอาศัยการโกหกเลี้ยงชีพไม่จัดว่าเป็นพรามส่วนกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะผู้ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจอยู่มีความบากบันอยู่เป็นนิดย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่งได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุติกาภารัธวาชะาพรามได้กราบทูลสันเสริญพระภาสิทธ์ขอบัรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาไม่นานท่านพระสุติกาภารัตวาชะาได้สำเร็จเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอคิกะสูตร ว่าด้ยอักัิกรามเหตุการณ์ที่กรุงราชครึกสมัยนั้นอั ก, กบิาราชทวราชรามปรุงข้าวปายาิด้วยเนยใสด้วยคิดว่าเราจะบูชาไฟจากบัมเรอการบูชาไฟครั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบินทบดทยังกรุงราชครึก เสด็จไปตามลำดับตรอกเข้าไปถึงที่อยู่ของอคิการาวาชาพรามแล้วได้ประทับยืนอยู่หน้าที่สมควรอคิการาวาชาพรามได้เห็นดังนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าบุคคลผู้เป็นพรามโดยกำเนิดจบไตรเพศเป็นพระหูสูตรพรามพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้น จึงควรบริโภคข้าวปาญาินี้พระผู้มิพระภาคตรัสคาานี้ว่าบุคคลถึงจะเป็นพรามโดยกําเนิดสาทยายมนเป็นอันมากแต่เป็นผู้เน่าและศกระปรกภายในเป็นผู้แวดล้อมไปด้วยความโกหกไม่จัดว่าเป็นพรามมูนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุเพนิวาสยานอย่างแจ่มแจ้ง เห็นสวรรค์และอบายทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้วคือบรรลุอรหันต์แล้วเพราะวิชาสามเหล่านี้จึงเป็นพรามผู้จบไตรเพศมูนีผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นจึงควรบริโภคข้าวปลายาดนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้อคิกาภารัตวาชาพรามจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระโคโดมผู้เจริญขอเชิญบริโภคเถิดพระองค์เป็นพรามพระผู้มีพระภาตรัสว่าการที่เรากล่าวคถ า, าไม่ใช่เพื่ออาหารพรามนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาราะการกล่าวคถาพรามเมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีนาศพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอากิกับารัธวาชักพรามได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธ ขอบรระชาะอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาไม่นานท่านพระอักิกาภพารัวาชะได้สำเร็จเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุนทริกสสูตรว่าด้วยสุนทริกะพารท・วาชะพรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาแขวนโกศลสมัยนั้นสุนทริกาพารัตวราชาพรามบูชาไฟบำเรอการบูชาไปอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาครั้นบูชาแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งเหลียวดูทั้งสีทิศโดยรอบด้วยคิดว่าใครหนอควรบริโภคข้าวปายาตอันเหลือจากการบูชานี้ สุนทริกะภารัถวาจพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าคลุมพระวรกายตลอดพระเศียรประทับนั่งที่โกนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้นเห็นแล้วมือซ้ายถือข้าวปลายาติที่เหลือจากการบูชาไฟมือขวาถือคนโถน้ําเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ส่งเปิดผ้าที่กลุ่มพระเสียนออกเพราะได้ยินเสียงเดินเข้ามาของสุนทริกะภพารัทวชพรหมามครั้งนั้นสุนทริกับพารัตวชพรหมามกล่าวว่านิสมณะล้นเมื่อเห็นดังนั้นจึงต้องการกลับจากที่นั่นทีเดียวแต่ลำดับนั้นสุนทริกับพารัตวชพรหมามได้มีความคิดดังนี้ว่า พวกรามบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ล้นก็มีทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาสมณะล้นนั้นแล้วถามถึงชาติกำเนิดของเขาจึงได้เข้าไปถามว่าท่านเป็นชาติอะไรพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยคาถาว่าท่านอย่าถามถึงชาติแต่จงถามถึงความประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดจากไม้บุคคลถึงแม้เกิดในตระกูลตำ่ำ ก็เป็นมุนีได้มีความทรงจําเป็นผู้เฉลียวฉลาดกีดการอกุศลธรรมได้ด้วยหิริฝึกตนด้วยสัจจะประกอบแล้วด้วยธรรมะถึงที่สุดเวทยอยู่จบรมจารย์แล้วผู้ใดน้อมการบูชาเข้าไปบูชามุนีนั้นผู้นั้นชื่อว่าบูชาพระทักขินายบุคคลถูกการ สุนทริกัดพารัวาชาพราหมณ์ปราบทูลว่าการบูชานี้ของข้าพระองค์จะเป็นอันบูชาดีแล้วเป็นการเส้นสวงดีแล้วเป็นแน่ที่ข้าพระองค์ได้พบบุคคลพูดถึงที่สุดเวชเช่นนั้นความจริงเพราะข้าพระองค์ไม่พบบุคคลเช่นพระองค์ชนอื่นจึงได้บริโภคข้าวปลายาตอันเหลือจากการบูชา ระโคโดมผู้เจริญเชิญบริโภคเถิดพระองค์เป็นพรามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถาไม่ใช่เพื่ออาหารพรามนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพรามเมื่อธรรมเนียมนั้นมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระกีนาศพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้สแสวงบุญลำดับนั้นสุนทริกะภารัวาชาพรามกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้น ข้าพระองค์จะให้ข้าวปายาิอันเหลือจากการบูชานี้แก่ใครพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งจะบริโภคข้าวปายาติที่เหลือจากการบูชานี้แล้วพึงให้ถึงความย่อยไปโดยชอบเรายังไม่เห็นใครนอกจากตถาคต หรือสาวกของตถาคตพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงทิ้งข้าวปลายาติที่เหลือจากการบูชานั้นณนะที่ปราศจากของเขียวหรือจงทิ้งให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ลำดับนั้นสุนทริกะภารัตวาชาพรามทิ้งข้าวปลายาช่าอันเหลือจากการบูชานั้นให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ ครั้งนั้นข้าวปลาญาติที่เหลือนั้นเมื่อเทลงน้ำแล้วเกิดเสียงดังจี่จีและเดือดเป็นควันคลุง้งเหมือนผานที่ร้อนตลอดทั้งวันอันบุคคลจุ่มลงในน้ำฉะนั้นลำดับนั้นสุนทริกะภารัวาชพรามได้เห็นดังนั้นจึงเกิดความประหลาดใจคนลูกชูชันพระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัส ด, ด้วยพระคถานี้ว่าพรามท่านกำลังเผาไม้อยู่อย่าสําคัญว่าบริสุทธิ์ก็การเผาไม้นี้เป็นของภายนอกผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้นั้นพรามเราเลิกการเผาไม้ที่บุคคลพึงปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้ ซึ่งเป็นของภายนอกยังไฟคือยานให้โพลงภายในตนทีเดียวเราเป็นพระอาหารหันต์มีไฟอันโพลงแล้วเป็นนิดมีจิตตั้งไว้ชอบแล้วเป็นนิดประพฤติโปรหมาจรรันอยู่พรามมานะคือการถือตัวเป็นดุจภาระคือหาบของท่านความโกรธเป็นดุจควัน มูสาวาดเป็นดุจเท่าลิ้นเป็นดุจภาชนะเครื่องบูชาอไทถเป็นดุจที่ตั้งกองไฟตนที่ปึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบูรุษพรามบุคคลพูดถึงเวททั้งหลายนั่นแหลอาบในห้วงน้ำคือธรรมะของสัตว์บูรุษทั้งหลายมีท่าน้ำคือศีลไม่ขุ่นมัว อันศัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมเข้าถึงฝังคือนิพพานพรามสั จ, จธรรมะความสำรวมและปรมจันทร์การถือธรรมะอันประเสริฐอาศัยในถ้มกลางท่านจงทาความนอบน้อมในพระกีนาสกคือพระอรหันต์ผู้ซื่อตรงทั้งหลาย เรากล่าวคนนั้นว่าผู้มีธรรมะเป็นสาระเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะพารัววช้พราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาไม่นานท่านพระสุนทริกาพารัววชะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ในบรรดาพ ร, อาระอรหันต์ทั้งหลายพระหุติสูตรว่าด้วยความสุขเป็นอันมากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าราป่าแห่งหนึ่งแวนโกศลสมัยนั้นโคพลิพัทสิบสี่ตัวของปรามพารัตวาชโคดคนหนึ่งได้หายไป ครั้งนั้นพราหมนั้นได้เที่ยวแสวงหาโคพลิพั์เหล่านั้นอยู่เข้าไปถึงราวป่านั้นได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคูบันลังตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่านั้นแล้วจึงได้เข้าไปหาและกล่าวคาถานี้ว่าโคพลิพัทสิบสี่ตัวของพระสมณานี้ไม่มีแน่ แต่ของเราหายไปได้หกสิบวันเข้าวันนี้เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขต้นงาทั้งหลายที่ไม่งามมีเพียงใบสองใบในไร่ของพระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขหนูทั้งหลายในฉางข้าวเปล่าที่รบกวนพระสมณะนี้ ด้วยการยกหูชูหางขึ้นกระโดดโลดเต้นไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขเครื่องลาดของพระสมณะนี้ใช้ตั้งเจ็ดเดือนที่จะเกลื่อนกลนด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขหญิงม่ายมีลูกสาวเจ็ดคน มีลูกชายหนึ่งคนหรือสองคนแต่ของพระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขมแมลงวันตัวลายชอบไต่ตอมคนหลับที่จะไต่ตอมพระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขในเวลาใกล้รุง่งเจ้าหนี้ทั้งหลาย ที่จะตามทวงนี้พระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคถ า, าว่าพรามโคลพลิพัทสิสี่ตัวของเราไม่มีเลยแต่ของท่านหายไปได้หกสิบวันเข้าวันนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุข ต้นงาทั้งหลายที่ไม่งามมีเพียงใบสองใบในไร่ของเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความสุขหนูทั้งหลายในช้างข้าวเปล่าที่จะรบกวนเราด้วยการยกหูชูหางขึ้นกระโดดโลดเต้นไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขเครื่องลาดคือที่นั่งของเราใช้ตั้งเจ็ดเดือน ที่จะเกลื่อนกลนด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขหญิงม่ายมีลูกสาวเจ็ดคนมีลูกชายหนึ่งคนหรือสองคนแต่ของเราไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขมแมลงวันตัวลายชอบไต่ตอมคนหลับที่จะไต่ตอมเราไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุข พรามในเวลาใกล้รุ่งเจ้านี่ทั้งหลายที่จะตามทวงนี้เราไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วรามพารัตวาชโคตได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธประกาศตนยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสารณะสูงสุด กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นต่อมาไม่นานท่านตรักภารัวาชาได้สำเร็จเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพรามณะสั่งยุดหมวดที่สองอุปาส ก, กวรวัหมวดว่าด้วยอุบาสก กสิภารทวชสูตรว่าด้วยกสิภารทวชารามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ ห, หมู่บ้านพรามชื่อเอกานาลาทักินากิริชนบทแควนมคตสมัยนั้นกสิภารทวชารามประกอบไถจำนวนห้าร้อในฤดูหวานข้าวครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงเสด็จเข้าไปบินทบาทผ่านไปยังที่ทำงานของกสิภารัตวาชพาระมามสมัยนั้นกสิภารัตวาชพารหมามกำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของเขาแล้วประทับยืนอยู่หน้าที่สมควร เกษีพารัตวช a k r ม a m ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบินธบาีอยู่จึงได้ทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระองค์ไถลหวานครั้ไรนไถลหวานแล้วจึงบริโภคข้าแต่พระสมณะแม้พระองค์ก็จงไถลหวานครั้นไถลหวานแล้วจงบริโภคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พรมแม้เราก็ไถละวานเหมือนกันรันไถ่ละวานแล้วก็บริโภคเกสิภารัตวาราชพราหมณ์กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่เห็นแอกไถ่านประตักหรือโคภลิพัฒ์ทั้งหลายของท่านเลยเมื่อเป็นเช่นนี้พระโคโดมผู้เจริญยังกล่าวอย่างนี้ว่าแม้เราก็ไถละวานรั้นไถละหวานแล้วก็บริโภคครั้งนั้น กสิภารัววชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคถาว่าพระองค์ยืนยันว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระองค์ไม่เห็นการไถของพระองค์พระองค์ผู้เป็นชาวนาข้าพระองค์ถามแล้วขอจงตรัสบอกข้าพระองค์จะรู้การไถยของพระองค์นั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสด้วยคถานี้ว่า ศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถอิริคือความละอายในบาปเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราได้ยาคือวาจาสับปลับด้วยคาสัตย์ สุรจักรของเราช่วยทำงานให้สำเร็จความเพียรของเราช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจักโยคะนำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราทำนาอย่างนี้นาที่เราทำนั้นมีผลเป็นอมะตะคือนิพพาน บุคคลครั้นทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพน้นจากทุกทั้งปวงกรสิภาราทวาชาพรามกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นชาวนาขอจงบริโภคผลที่เป็นอมตะที่ท่านไถยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยคาถาว่าการที่เรากล่าวคาถาไม่ใช่เพื่ออาหาร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 ประศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้สแสวงบุญเมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วกริสิภารทวชะพรามได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิ์ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอุทยาสูตร ว่าด้วยอุทยาพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาตผ่านไปยังที่อยู่ของอุทยาพราหมณ์ครั้งนั้นอุทยาพราหมณ์ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มวันต่อมาแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาต อุทยาพรามก็ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มวันต่อมาแม้ครั้งที่สามอุทยาพรามก็ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระสมณโคดมท่านคงติดใจในรถนี้จึงเสด็จมาบ่อยๆพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระคทถาว่า เกษตรกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแควนย่อมสมบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆผู้ขอย่อมขอบ่อยๆฐานาบดีย่อมให้บ่อยๆครั้นให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนม ย่อมรีดน้ำนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนข่าวย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาดุดแผ่นดิน ย่อมไม่เกิดบ่อยๆเพราะได้มักแล้วไม่มีพบใหม่ต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วอุทยารามได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธ์ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสารณะสูงสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต เทวิตตสูตรว่าด้วยเทวิตตพรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวนด้วยโรคลมท่านพระอุปปวานะเป็นอุปัถากของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้น พระผู้มิพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอุปวานะให้นำน้ำร้อนมาถวายพระองค์ท่านพระอุปวานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วกรองอันตะรา ว, วาศกถือบาตรและจีวรเข้าไปอย่างที่อยู่ของเทวหิตรามแล้วยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรเทวหิตรามได้เห็นท่านพระอุปวานะยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรแล้ว ได้กล่าวด้วยคถาว่าท่านเป็นสมณะโล้นกรองผ้าสังฆติยืนนิ่งอยู่ท่านปรารถนาอะไรสแสวงหาอะไรมาเพื่อขออะไรท่านพระอุปวานะตอบด้วยคถาว่าพระสุกฏมุนีเป็นพระอรหันต์ในโลกทรงพระประชวนด้วยโรคลมพราหมณ์ถ้าท่านมีน้ำร้อน ขอท่านจงถวายแด่พระสุคตมุนีด้วยเถิดอัตมาภาพปรารถนาจะนำไปถวายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ควรบูชาสักการะและนับถือกว่าบรรดาพระอริยบุคคลที่ควรบูชาสักการะและนับถือเหล่านั้นครั้งนั้นเถวหิตพราหมณ์ให้บูรุษถือการน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยตามไปถวายท่านพระอุปวานะ ลำดับนั้นท่านพระอุปวานะเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถูลให้สงสนาลและใช้น้ําร้อนละลายน้ําอ้อยแล้วถวายพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระอาการประชวนต่อมาเทวหิตากรามเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูลด้วยคถานิว่าบุคคลพึงให้ไตรธรรมณที่ไหนทานที่บุคคลให้นัทที่ไหนมีผลมากทักษิณาสำเร็จผลอย่างไรแก่บุคคลผู้บูชายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่ามุนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุกเพนิวาสยานอย่างแจ่มแจ้ง เพนสวรร์ลและอบายทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้วบุคคลพึงให้ทัยธรรมในมุนีนี้ทานที่ให้แล้วในมุนีนี้มีผลมากทักศิณาสาเร็จผลอย่างนี้แก่บุคคลผู้บูชาอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเทวหิตปราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิต ประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมหาสาลสูตรว่าด้วยพระมหาสาลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระมหาสาลคนหนึ่งเป็นผู้เศร้าหมองนุ่งพ้าเศร้าหมอง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าทำไมท่านจึงดูเศร้าหมองนุ่งหมก็เศร้าหมองพระมหาสานกราบทูลว่าข้าแต่พระโอดมผู้เจริญบุตรของข้าพระองค์สี่คนในบ้านนี้คบคิดกับพัญญาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรหมา์ ถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนคาถานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับพัญญารุมว่าเราดุจสุนัขรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้น เป็นอสัตย์บุรุษผู้หลามกร้องเรียกเราว่าพอ่พอพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษแปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยหากินดุดม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้น บิดาของบุตรผู้เป็นพานเป็นผู้เท่าต้องขอเขากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายัางดีกว่ากวก บ, บุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรปพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุดุได้ในอีมืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้ยางขวานเอาได้ พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เทา้าครั้งนั้นพระมณามหาสารนั้นเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจึงได้กล่าวคาถานั้นลำดับนั้นพวกบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังคาถานี้แล้ว จึงนำพระมหาสาลนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้หนุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งพระมณะมหาศาลนั้นถือผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพรามสแสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอพระโคโดมผู้เจริญผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า จงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับไว้ด้วยความอนุเคราะห์ครั้งนั้นพระมหาสาลนั้นกราบทุนสันเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมานัตทัตูตรว่าด้วยมานัตธทัตทาม เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพรามชื่อมานัททัตแปลว่ากระด้างราถือตัวพัมนักอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาไม่ไหวมารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายเลยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมานัททัตพรามได้มีความคิดดังนี้ว่า พระสมณโคโดมนี้มีบริษัทมู่ใหญ่แวดล้อมตรงแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราจะไปเข้าเป้าพระสมณโคโดมถึงที่ประทับถ้าพระสมณโคโดมจะทักทายเราเราก็จะทักทายท่านถ้าพระสมณโคโดมไม่ทักทายเราเราก็จะไม่ทักทายท่านลำดับนั้น มานัตทัทธพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนนิ่งอยู่หน้าที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทักทายมานัตททธพรามต้องการจะกลับจากที่นั้นด้วยคิดว่าพระสมณโคดมนี้ไม่รู้อะไรทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึง ของมานัตถะพราหมด้วยพระไทยแล้วได้ตรัส ด, ด้วยพระคาถาว่าพราหมณ์ในโลกนี้ใครที่ยังมีมานะไม่ดีเลยบุคคลมาด้วยประโยชน์ใดพึงเพิ่มภูนประโยชน์นั้นไว้ครั้งนั้นมานัตถะพราหมคิดว่าพระสมณโคดมทรงทราบจิตของเรา จึงมอบลงด้วยสีสัพท์ที่ใกล้ประยุกลบบาทพระผู้มีพระภาคณ์ที่นั่นเองจุมพิษประยุกลบบาทและนวดด้วยมือประกาศชื่อว่าข้าแต่พระโกดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อมานัททัพข้าแต่พระโกดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อมานททัพครั้งนั้นบริษัทนั้นเกิดประหลาดใจว่า น่าอัศ จ, จรรย์จิงมานัฐทพราหมณ์นี้ไม่วหว้มารดาบิดาอาจารย์และไม่วหว้พี่ชายแต่ระสมนโคดมทรงทาคนเช่นนี้ให้ทำการนอบน้อมได้เป็นอย่างดียิ่งขณะนั้นพระผูกก้มีพระภาคตรัสกับมานัฐทพราหมณ์ว่าพอละพราหมณ์เชิญลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะท่านมีจิตเลื่อมใสในเราแล้ว ลำดับนั้นมานัธะพราหมณ์นั่งบนที่นั่งของตนแล้วได้ปูนถามด้วยคถานิว่าบุคคลไม่ควรทำมานะในไครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงในใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงจะเป็นการดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระกาถานิว่า บุคคลไม่กวนทำมานะคือการถือตัวในมารดาบิดดาที่ชายและในอาจารย์เป็นที่สี่พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงในบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลพึงทำลายมานะไม่กวรกระด้าง พึงนอบน้อมรักอารหรันผู้เยือกเย็นทมกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสะวะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่านั้นเมื่อพระผู้มีพระพาตรัสอย่างนี้แล้วมานัทททธรพราหม์ได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสรณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ปัจจณีกสูตรว่าด้วยปัจจณีกษาตปรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นปรามชื่อปัจจณีกสาตพมนักอยู่ในกรุงสาวัตถีได้มีความคิดดังนี้ว่าทางกีดีเราพึงเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับเถอด ประสมณะโกดมจักรตรัตคำใดๆเราก็จะคัดขานคำนั้นๆสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งลำดับนั้นปัจจนีกสาตรพรามณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดินตามพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ขอพระองค์จงตรัสสมนธรรมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานิว่าผู้ตั้งใจจะขัดขานมีจิตเศร้าหมองมากไปด้วยความแข่งดีจะมีรู้ชัดคำสุภาษิตส่วนบุคคลใดกำจัดความแข่งดีความไม่มีจิตเลื่อมใสและถอนความอาฆาตออกแล้วฟังอยู่ บุคคล น, นั้นจึงจะรู้คำสุภาษิษตได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปัญจนีกษาตรพราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาษิตประกาศตนเป็นอุบาสก พ, พูดถึงสรารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนวกรรมมิกสูตร ว่าด้วยนวกรรมมิกะภารัตวราชาพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวาแห่งหนึ่งขวนโกศลสมัยนั้นนวกรรมมิกะภารัตวราชาพราหมณ์ให้คนทํางานอยู่ในราวป่านั้นเขาได้เห็นพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับนั่งคูบันลังตั้งพระกายตรงดํำรงสติไว้เฉพาะหน้า ที่โคนไม้สาละแห่งนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราให้คนทำงานอยู่ในราวป่าจึงยินดีส่วนพระสมณะนี้ให้คนทำอะไรอยู่จึงยินดีลำดับนั้นนาวกรรมิกาพารัตวาชาพรามจึงเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กราบทูลถามด้วยคาถาว่าภิกษุท่านทำงานอะไร จึงอยู่ในป่าไม้สาระพระโคโดมอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวได้ความยินดีอะไรหรือพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระคาถาว่าเราไม่ได้ทํางานอะไรในป่าหรอกป่าคือกิเลสมันเป็นค่าศึกถูกเราถอนรากเหง้าหมดแล้วเราไม่มีป่าคือกิเลสราศจฎรลูกศรคือกิเลสลักความไม่ยินดี ยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วนวกรรมมิกาภารัตวาชาพราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกันทหารสูตรว่าด้วยคนหาปืน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกสลสมัยนั้นมานพหลายคนซึ่งเป็นศิษย์ของพระรามภารัตวราชาโคดคนหนึ่งเป็นคนหาปืนพากันเข้าไปยังราวป่านั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคูบัลลังก์ตั้งประกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่านั้นจึงได้ไปบอกเรื่องนี้กับพระรามภารัตวราชาโคด ลำดับนั้นราพาราทวราชาคโคดพร้อมด้วยมานบเหล่านั้นเข้าไปยังราวป่านั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู่บัลลังก์จึงเข้าไปเป้าแล้วกราบทูลด้วยคาถาว่าภิกษุท่านเข้าไปสู่ป่าที่ว่างเปล่าปราศจากคนในป่านาทึบหน้าหวาดเสียวนักมีกายไม่หวั่นไหวมีประโยชน์อันงามเพ่งพินิจอย่างดีนอ ท่านเป็นมุนีอาศัยอยู่ป่าอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวซึ่งไม่มีเสียงขับร้องและเสียงบรรเลงการที่ท่านมีใจยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนี้ปรากฏเป็นข้ออัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาไตรทิพย์อันยอดเยี่ยมในที่นี้คือการปรารถนาพรมโลกจึงอยากเป็นสหายกับเท้ามหาพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลก เหตุไรท่านจึงชอบใจป่าที่ปราศจากคนท่านทำความเพียรอยู่ที่นี้เพื่อจะบังเกิดเป็นพรหมอย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสประคาถานี้ว่าความมุ่งหวังคือตัณหาหรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์หลายชนิดซึ่งมีอยู่ประจำทุกเมื่ อ, อนานาประการ หรือตัณหาอันเป็นเหตุให้กระชับแน่นทั้งปวงนั้นซึ่งมีความไม่รู้เป็นมูลรากก่อให้เกิดต่อๆไปเราทำให้สิ้นสุดพร้อมทั้งรากแล้วเรานั้นจึงไม่มีความมุ่งหวังไม่มีตัณหาอาศัยไม่มีตัณหาเข้ามาใกล้มีปกติเห็นหมดจดในธรรมะทั้งปวง บรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมประเสริฐสุดแล้วเราจึงควรแก่ความเป็นพรหมกล้าวกล้าเพ่งพินิจอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระรามภารัตวชัโคตได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธิประกาศตนเป็นอุบาสก พ, พูดถึงเซรนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต มาตุโปสกักสูตรว่าด้วยมาตุโปสกักพรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นมาตุโปสกักพรามเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์สแสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดา ข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชอบยิงนักพรามท่านทำดังนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแท้โดยว่าผู้ใดสแสวงหาพิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาผู้นั้นยอมประสบบุญเป็นอันมาก พระผู้มีพระภาคผู้สุกศัสดาได้ตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบธรรมเพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาและบิดาเช่นนี้บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นขณะที่ยังอยู่ในโลกครั้นจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์ เมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วมาตุปโปสกกพรามได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิประกาศตนเป็นอุบาสก พ, พูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพิขะกขะกสูตรว่าด้วยพิขะกขะกพรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น พิกะกะราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนขอพระองค์ก็เป็นผู้ขอในเรื่องนี้เราจะมีอะไรแตกต่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลขอคนเหล่าอื่นอยู่ ย่อมไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเพียงใดผู้สมาทานธรรมผิดคืออกุศลธรรมก็ไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเพียงนั้นผู้ใดในโลกนี้ละบุญละบาปได้แล้วประพฤติพรมจรรย์ด้วยการพิจรารณาในที่นี้คือญาณผู้นั้นแหลจัดว่าเป็นภิกษุ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิกกะพราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสังฆรวะสูตรว่าด้วยสังฆรวะพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้น สังขาวรวัพรามอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีมีลทัทธิคือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้เ า, เชาเป็นประจำครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์กรอกอันตราวาสกถือบาตและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงสาวัตถีกลับมาจากบินทบาท ภายหลังจากฉันพัตนาเสร็จแล้วเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลเล่าถวายเรื่องของสังขารวะพรามผู้มีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำและได้ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเสด็จโปรดอนุเคราะห์สังขารวะพรามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษนีภาพ ครั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคสเสด็จไปหาสังฆาระวักพรามถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนพุท ธ, ธาที่ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามเขาพูดกันว่าท่านได้ชื่อว่าถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ําปรัถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ําท่านถือการลงอาบน้ําชําระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำจริงหรือไม่ สังขารวะพรามกราบทูลตอบว่าจริงดังนั้นพระผู้มีพระภาตรัสถามว่าพรามท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้ทำเช่นนั้นเป็นประจาเล่าสังขารวะพรามทูลตอบว่าข้าแต่พระโอดมคู้เจริญบาป ก, กรรมใดที่ข้าพระองค์ทำเวลากลางวันข้าพระองค์ก็ลอยบาป ก, กรรมนั้นด้วยการอาบน้าเวลาเยน็น บาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทําเวลากลางคืนข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นด้วยการอาบน้ําเวลาเชา้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอนานาจประโยชน์นี้จึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ําถือการลงอาบน้ำำําชําระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำลําดับนั้นพระผู้มีพระภาค จึงตรัสพระคาถานี้ว่าพรามบุคคลพูดถึงเวททั้งหลายนั่นแหละในห้วงน้ำคือธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายมีท่าน้ำคือศีลไม่ขุนมัวอนสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมเข้าถึงปั่งคือนิพพาน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังฆาราวาพรามได้กราบบุญสัเสริญพระภาสิทธิประกาศตนเป็นอุบาสกพูถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโคมทุสัสูตรว่าด้วยชาวโคมทุ ส, สัตนิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณ น, นิคมของเจ้าสักกายะชื่อโคมัทุสสะแขวนสักกะครั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างโคมัทุสะนิคมสมัยนั้นพรามและขหาวดีชาวโคมัทุสสะนิคมประชุมกันอยู่ในสภาด้วยกรณียกิจบางอย่างแล้วผลก็กำลังตกรักปรายอยู่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภานั้นพวกรามและกหาเบดีชาวโกมทุสัปนิคมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวดังนี้ว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะล้นและคนพวกไหนรู้จักธรรมะของสภา ค, ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับพรามและขะบดีชาวโคมาทุสานิคมด้วยพระกถานี้ว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมะคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเพราะพวกสัตบุรุษลักราคาโทสะและโมหะได้แล้วจึงกล่าวธรรมะอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรามและข้าบดีชาวโกมาทุษสีนิคมได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตรประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพรหมณัสังยุตรรวมธรรมกถาเรื่องเกี่ยวกับพรามจบบริบูรณ์